พระพุทธเจ้าสงสอนพุทธศาสนิกชนให้ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทให้มันพิจารณาอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราเกิดมาแล้ว ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วต้องพัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นการพัดพราก อยากกันไปไม่ได้นี่คือวิธีที่จะทำให้เราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทความประมาทก็คือไม่ทําอะไรให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับตัวเราและกับผู้อื่นนั่นเองคุณประโยชน์ที่เราควรจะทาให้กับตัวเราก็คือ สร้างทำขึ้นมาที่จะได้ดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปให้พวกเราได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นประโยชน์ที่สูงสุดที่มนุษย์อย่างพวกเราจะสามารถทำกันได้ และเป็นประโยชน์ที่ดีกว่าประโยชน์ต่างๆทั้งหลายเพราะประโยชน์ทางโลกคือประโยชน์ทางลาบยศสรรเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายเป็นความเป็นประโยชน์ชั่วคราวชั่วเฉพาะพบนี้ชาตินี้เท่านั้นแต่ไม่สามารถ ที่จะปลดเปลื้องจิตใจให้หลุดออกจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยต้องเป็นประโยชน์ที่จะนำพาให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งประโยชน์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีพระพุทธศาสนา มาปรากฏอยู่ในโลกนี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่จะยกจิตใจให้หลุดออกจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยโอกาสที่จะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็เป็นโอกาสที่ยากมากที่นา น, าน จะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งเพราะหนึ่งการปรากฏของพระพุทธศาสนาในแต่ละครั้งนี้ก็เป็นเวลาอันยาวนานระหว่างการตัสลุกของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกับพระอีกพระองค์หนึ่งนั้นเวลาห่างกันเป็นกับคําว่ากับนี้ เป็นระยะเวลาที่เราไม่สามารถที่จะประมาณได้ด้วยตัวเลขท่านยกตัวอย่างวิธีคำนวณระยะเวลาของเวลาหนึ่งกับไว้ดังนี้ว่าถ้าทุกร้อยปีเราเอาผ้าไปรูปเขาพระสุเมนหนึ่งครั้งให้ทำอย่างนี้ไปทุกๆุกร้อยปี ทำไปเรื่อยๆทุกๆร้อยปีให้เอาผ้ามารูปเขาพระสุเมนหนึ่งครั้งให้ทำไปจนกว่าเขาพระสุเมนจะสึกลาบเป็นหน้ากรองไปนั่นแหละคือระยะเวลาหนึ่งกับด้วยกันแล้วการที่จะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้พวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ก็จะเป็นเวลาหลายกลับด้วยกันโอกาสที่จะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราก็ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆคือหลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็ไม่ได้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีทันใด เช่นชาตินี้สมมุติเราตายไปในวันนี้หรือพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหลายพันปีก็ได้และเมื่อกลับมาเกิดแล้วพระพุทธศาสนาก็อาจจะไม่ได้มีเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้เพราะพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบันนี้ท่านก็ทรงพยากรณ์ว่า จะอยู่ได้ไปประมาณ 5,000 ันปีด้วยกันนี่ระยะเวลาก็ผ่านมาสอง0กว่าปีที่เรียกว่าเก่งพุทธ่งพุทธการครึ่งหนึ่งแล้วเวลาของของพระพุทธศาสนากว่าครึ่งแล้วสมมติเราตายไปเราอาจจะต้องไปใช้บาทใช้กรรมในอบายหรือถ้าเรา ได้ทำบุญไว้มากเราก็จะได้ไปรับผลบุญได้เป็นเกิดได้ไปเกิดเป็นเทวดาไปเป็นพรหมพอเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งก็เวลาก็อาจจะผ่านไปหลายพันปีด้วยกันก็จะไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะจะหมดสภาพไป คำว่าหมดสภาพก็คือไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติที่จะสืบทอดพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีใครเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีไว้ทําไมปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้ผลนี่แหละคือความยากของการที่จะ ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาชาตินี้จึงเป็นถือว่าเป็นชาติที่เป็นมหาลาภของพวกเรามหาโชคของพวกเราเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งโอกาสที่คนจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้นี้ยากมากแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับโอกาสที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ และได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ต้องคูณเข้าไปเอกหลายล้านเท่าด้วยกันความยากของการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาเกิดเป็นมนุษยนะ์ได้มีโอกาสที่จะได้ศึกษาปฏิบัติเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนี้มัน เป็นความทุกข์นั่นเอง เ, อเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์กับการต่อสู้ดูแลรักษาร่างกายรักษาชีวิตต้องทำงานทำการต้องศึกษาต้องริ่าเรียนต้องหาวิชาความรู้ห า, าเงินหาทองเพื่อที่จะได้มาดูแลรักษาร่างกายแล้วก็อาจจะต้อง เจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปก่อนเวลาอันควรก็ได้อย่างตอนนี้ที่วัดก็มีคนขับรถที่พาไปบินทบาทสายบ้านอำเภอเมื่อสามสี่วันก่อนก็ไม่สบายลาป่วยไปไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลไปอยู่ได้สามวันก็ตายไปทั้งทั้งที่บ้าง อายุก็ยังไม่มากอายุสี่สิบกว่าปีเท่านั้นเองก็ก่อนที่จะลาไปก็ไม่มีอาการอะไรผิดปกติขับรถส่งพระเนนได้เป็นปกติแล้วอยู่ๆไปอยู่โรงพยาบาลได้สามวันก็ตายไปตอนนี้ก็บำเพ็ญศบอยู่ที่วัดหน้าวัดนี่แหละคือเรื่องของความ ไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายของชีวิตพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มันพิจารณาอยู่เรื่อยเรื่อเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเรื่องของการพัดพรากจากกันว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีดังที่เคยถามพระอานุนไว้ว่า อานอนท์เธอพิจารณาความตายวันละสักวันละสักกี่ครั้งพราอานอนท์ก็ตอบไปว่าวันละสี่ห้าครั้งเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเธอยังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่เพราะเธอจะลืมเรื่องของความตายไปในเวลาที่เธอ ไม่ได้พิจารณาแล้วเธอจะไม่หมั่นสร้างประโยชน์ให้กับตัวเธอเองไม่หมั่นศึกษาไม่หมั่นปฏิบัติธรรมวิธีที่จะทำให้เธอไม่ตั้งอยู่ในความประมาทก็คือเธอตั้งระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็พิจารณาว่า ถ้าไม่หายใจออกก็ต้องตายถ้าหายใจออกไปแล้วถ้าไม่หายใจเข้ามาก็ต้องตายคือความตายนี้อยู่กับที่ลมหายใจนี้เองถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นและไม่มีใครไปกำหนดได้ว่าจะตายกันเมื่อไหร่กันบางคนอาจจะตายวันนี้ก็ได้ บางคนอาจจะตายพรุ่งนี้มลนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าไม่มีใครรู้เวลาถ้าไปคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆจะอยู่ไปนานๆานก็จะทำให้ไม่ขวนขวายไม่รีบเร่งสร้างประโยชน์ที่สำคัญนี้คือศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีที่จะปฏิบัติ เพื่อยกใจให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็จะผ่อนผันไปเรื่อยๆผัดวันประการพรุ่งไปเรื่อยๆจนไม่ได้มีเวลาที่จะมาปฏิบัติกันไม่มีเวลาที่จะมาศึกษากันก็จะสูญเสียประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ที่นานๆานจะได้เกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเหมือนกับตอนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วก็ไม่รีบไปขึ้นรางวัลมัวแต่ยุ่งกับงานนั่นงานนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ไม่สนใจที่จะรีบไปขึ้นรางวัลดีไม่ดีก็อาจจะตายไปก่อนที่จะไปได้ไปขึ้นรางวัลไปรับรางวัล แต่ถ้าเราได้พิจารณาอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องพัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดามันจะทำให้เราตื่นตัวเกิดความกระตือรือร้นเพราะเราจะเห็นว่าถ้าเราแก่เจ็บหรือตายไปนี้ความสุขต่างๆ ที่เรามีอยู่ในขณะนี้มันก็จะหมดไปทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆลาภยศสรรเสริญสุขที่เราหามาได้มีมากมีน้อยเพียงไรมันก็จะหมดไปจากเราเพราะว่าเวลาเราตายไปเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากบุญจากบาปที่เราได้ทําไว้และธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่เราได้ศึกษาและได้ปฏิบัติเท่านั้นที่เราจะเอาติดตัวไปได้ถ้าเรามีธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าติดตัวไปได้เราก็เหมือนกับมีพระพุทธศาสนาเอาติดตัวไปกับเราชาติหน้าเรามาเกิดใหม่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะเรายังมีพระพุทธศาสนา มีคำสอนของพระพุทธเจ้าติดมากับใจของเราอยู่เช่นถ้าเราได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าว่าความทุกข์ใจนั้นเกิดจากความอยากต่างๆและการจะดับความทุกข์ใจก็ต้องดับด้วยธรรมะ ปฏิบัติที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือทานศีลภาวนาความรู้นี้มันจะติดไปกับใจของเราทุกพบทุกชาติมันจะไม่เสื่อมคลายไปจากใจมันจะทําให้เราสามารถที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในภพต่อๆไปได้โดยไม่ต้องมีพระพุทธศาสนามาสอนเรา เพราะเรามีพระพุทธศาสนาอยู่ภายในใจของเราแล้วก า, การเดินทางไปสู่พระนิพพานของพระโสดาบันก็จะไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากหลังจากที่ตายจากชาตินี้ไปแล้วกลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ถึงแม้จะไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้แล้วก็ตาม แต่ใจของพระโสดาบันนี้มีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจที่จะนำพาผู้ปฏิบัติคือใจของพระโสดาบันนี้ให้ขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงตามลาดับต่อไปจนถึงขั้นพระอาหารหันต์ขั้นพระนิพพานหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไปได้อย่างแน่นอน ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะประมาทนอนใจพวกเราทุกคนนี้มีสิทธิที่จะได้รับเอาพระพุทธศาสนาเข้าไปไว้ในใจของพวกเราทุกคนถ้าเรามีศรัทธาความเชื่ออย่างแน่วแน่ต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าและมันศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อย เมื่อเราได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะได้อิทธิบาสว่คือจะได้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาขึ้นมาฉันทะก็คือความยินดีที่จะนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติวิริยะก็คือความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจิตตะก็คือ ความจดจ่อของจิตใจจิตใจของเรานี้จะจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวจะไม่ไปทะเลถไลายไปทําอะไรอย่างอื่นเช่นไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตใจจะจดจ่ออยู่ ก, กับการปฏิบัติธรรมจดจ่ออยู่กับ ก, บการทําบุญทําทางรักษาศีล ภาวนาปลีกวิเวกอยู่ตามลำพังเจริญสติเพื่อทำให้จิตใจสงบออกจากความสงบก็พิจารณาทางปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาว่าร่างกายนั้นไม่สวยไม่งาม ร่างกายนี้สวยก็เฉพาะเวลาที่มีการเสริมความงามกันเวลาแต่งหน้าทาปากหวีผ้าหวีผมก็เป็นความสวยชั่วครั้งชั่วคราวในที่สุดร่างกายก็ต้องแก่ส่งไปและจิตและก็ตายไปะจะหาความสวยความงามจากร่างกายที่แก่ที่เจ็บที่ตายได้อย่างไร ถ้ามันพิจารณาอยู่เนืองๆความจริงเหล่านี้ก็จะฝังอยู่ในใจแล้วก็จะมาแก้ความหลงที่ไปเห็นว่าร่างกายนี้สวยว่างามและอยากจะได้มาเป็นสมบัติมาเป็นคู่ครองพอไม่มีความอยากแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับการมีคู่ครองไม่ต้องมาทุกข์กับการมีบุตรมีธิดา มีครอบครัวก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องการอยู่คนเดียวด้วยความ ว, าว้าเหวเศร้าส้อยหงอยเหงาเพราะผู้ที่ได้เจริญปัญญาได้เจริญอาสุภะอยู่เรื่อยๆจะไม่รู้สึกเหงาว้าเหวเวลาอยู่ตามลำพังเพียงคนเดียวความว้าเหวนี้เกิดจากกามอารมณ์ที่ ใจปรุงแต่งขึ้นมาเพราะนึกถึงรูปร่างหน้าตาที่สวยที่งามแล้วอยากจะได้มาเป็นเพื่อนมาเป็นคู่ครองมาให้ความสุขกับตนพอพิจารณาด้วยอสุภาว่าไม่ไม่สวยไม่งามการอารมณ์ก็จะดับไปใจก็จะสงบแล้วก็จะอยู่ตามลำพังได้อย่างสุขอย่างสบายจะไม่อยากอยากยู่กับใคร พออยู่กับใครแล้วมักจะมีแต่เรื่องมีแต่ราวมีแต่ความวุ่นวายเพราะแต่ละคนก็มีกิเลสมีตัณหาความอยากความต้องการต่างๆนาน า, นามากมายกายกองที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองให้ได้ตลอดเวลานี่คือปัญญาที่ผู้ปฏิบัติจะพิจารณาถ้าได้พิจารณา สลับกับการเข้าไปอยู่ในสมาธิความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็จะฝังอยู่ภายในใจเวลาใจเกิดความอยากต่างๆก็จะสามารถใช้ปัญญานี้มาละความอยากได้ละความอยากทุกชนิดได้จนไม่มีความอยากอะไรหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากอยู่ภายในใจความทุก ภายในใจก็จะไม่มีอีกต่อไปและเมื่อไม่มีความอยากใจก็จะไม่ไปเกิดอีกต่อไปก็จะได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไปอย่างถาวรใจที่ไม่มีความอยากก็เป็นใจที่มีแต่บรล ม, มสุขคือปรมังสุขขังนั่นก็คือใจที่ได้ถึงพระนิพพาน นิบบานังปลามังสุขขังนิพพานก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ได้กําจัดทําลายความอยากต่างๆไปจนหมดสิ้นคือกามตตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะภวะตันหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้วิภวะตันหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีความอยากทั้งสามชนิดนี้แล้วใจจะไม่มีความทุกข์อยู่เลยไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือใจของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ได้สรงบำเพ็ญด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาวิมังสาก็คือควายความค่ายควรไปในทางธรรมนั่นเองใจจะคิดแต่ในเรื่องของธรรมจะไม่คิดถึงเรื่องของทางโลกเช่นเรื่องของการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะค่ายควรอยู่แต่การ ทำบุญทำทานการรักษาศีลการบำเพ็ญจิตติภัณฑการพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอาสุภะพิจารณาอาหารเรยปฏิกูละสัญญานี่คือความหมายของวิมังสาผู้ใดมีอิธิบาทสี่ไปในทางธรรมแล้วผู้นั้นจะหลุดพ้นจากกองทุกโดยถ่ายเดียว ผูนั้นจะบรรลุมรรคผลนิพพานโดยถ่ายเดียวอย่างแน่นอนนี่แหละจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราไม่ประมาทนอนใจไม่ผัดวันประกันพรุ่งรีบเร่งขวนขวายศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆมันฟังเทศฟังธรรมจากภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า จากพระไตรปิฎกก็ได้ศึกษาแล้วจะเกิดศรัทธาความเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงก็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างจริงแท้พระจะเชื่อในพระอริยสงสาวกว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธา ความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคาสอนแล้วได้ปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนอย่างแข่งครัดอย่างดีงามคือปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เข้าถึงพระนิพพานถ้าเราศึกษาฟังเทศฟังธรรมจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จากพระไตรปิฎกเราจะเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงและเราก็จะได้เกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาขึ้นมาเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติธรรมเกิดความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติธรรมเกิดใจที่จดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมเกิดวิมังสาความคิดไข้ขวรอยู่กับการปฏิบัติธรรม เมื่อมีอิทธิบาทสแล้วการปฏิบัติก็จะคลืบหน้าไปตามลำดับทาขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันจนถึงขั้นพระอาหารหันต์ก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอน <c oughs> เหมือนกับทางโลกของผู้ที่ฝ่รู้ฝ่ศึกษาหาความรู้จากการล่าเรียนหนังสือถ้ามีศรัทธาที่จะเล่าเรียนหนังสือ เพราะเชื่อว่าการล่งเรียนหนังสือจะทำให้เกิดความรู้ความฉลาดที่จะสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ในทางโลกได้คือเอาไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้คนก็จะมีความขวนขวายที่จะไปศึกษาไปโรงเรียนไปมาหาหลัยเวลาครูบาจะ สอนก็ตั้งใจฟังกลับมาบ้านก็ทำการบ้านดูหนังสือเตรียมตัวสอบพอถึงเวลาสอบก็จะสอบได้ได้คะแนนดีอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ผู้ที่ศึกษาผู้อื่นไม่สามารถที่จะศึกษาให้กับเราได้เป็นเป็นงานที่เราต้องทำเอง ผู้อื่นย่างมากก็ให้ความสนับสนุนทางด้านเงินทองค่าใช้จ่ายต่างๆแต่การเรียนหนังสือการไปโรงเรียนการทำการบ้านการเตรียมตัวสอบนี้เป็นหน้าที่ของผู้ศึกษาผู้ร่ำเรียนถ้าไม่ทำหน้าที่นี้ก็จะไม่สามารถที่จะ <c oughs> สอบผ่านได้ ดังนั้นต้องพยายามคิดถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาร่อมเรียนว่าจะได้ความรู้ได้ปริญญาแล้วจะได้เอาปริญญานี้มาใช้ในการหาประโยชน์ให้กับชีวิตของตนเลี้ยงดูชีวิตของตนให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนถึงแม้ว่าจะ มีเงินมากหรือมีเงินน้อยก็ไม่สําคัญถ้ามีความรู้นี้สามารถหาเงินใหม่ได้เสมอ ถ, ถ้าเงินเก่าหมดไปก็ยังสามารถหาเงินใหม่ได้เพราะมีความรู้แต่ถ้าไม่มีความรู้ <c oughs> ถึงแม้จะมีเงินเก่ามากน้อยเพียงไรก็อาจจะหมดได้ถ้าไม่รู้จักวิธีหาเงินใหม่มาทดแทน พอเงินเก่าที่มีอยู่มากมายหมดไปแล้วไม่มีความรู้ที่จะหาเงินใหม่มาทดแทนก็จะอยู่แบบคนยากคนจนการมีความรู้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ว่าในทางธรรมหรือในทางโลกในทางโลกก็จะทำให้มีชีวิตที่สุขี่สบายมีการงานที่สบายงานที่ใช้สมอง ไม่ใช่งานที่ใช้แรงงานใช้ร่างกายที่ต้องแบกหามที่ต้องเหนื่อยต้องลำบากรายได้ก็ไม่มากเหมือนกับงานที่ใช้สมองใช้ความรู้นี่คือความแตกต่างของคนที่เรียนหนังสือกับคนไม่เรียนหนังสือคนไม่เรียนหนังสือไม่มีความรู้เวลาไปทำงานเขาก็จะให้ทำงานที่ไม่ ไม่ต้องใช้ความรู้มากเช่นเป็นพานลรงเป็นคนรับใช้ทำงานด้วยแรงงานไม่ได้ทำงานด้วยความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาคนที่มีความรู้ได้ร่ำเรียนมาก็จะทำงานสบายทำงานด้วยการใช้สมองใช้คำสั่งให้ผู้อื่นทำทาหน้าที่นั้นหน้าที่นี้แทนตน ถ้ามีความขวนขวายมีความศรัทธาในทางธรรมก็จะได้ปฏิบัติธรรมแล้วถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็จะได้มรรคผลนิพพานเป็นผลที่จะตามมาก็คือได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปตามลำดับนีถ้าได้ถึงขั้นที่หนึ่งแล้วก็จะได้รับการรับประกันว่าจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์อย่างแน่นอน ถ้าไม่หยุดการปฏิบัติถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆถึงแม้อาจจะต้องตายไปในชาตินี้ก็ตามก่อนที่จะบรรลุถึงเป้าหมายเวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะสามารถปฏิบัติธรรมต่อไปได้เพราะความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี้มีอยู่ในหัวใจตลอดเวลาดังนั้นขอให้เราพยายามนล้ลกถึงความแก่ความเจ็บ ความตายอยู่เรื่อยๆให้เราลำลึกถึงการพัดพลาคจากการอยู่เรื่อยๆว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่มีใครที่จะล่วงพ้นความจริงเหล่านี้ไปได้ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้ชีวิตไหลไปเหมือนกับน้ำที่เปิดทิ้งไว้โดยไม่ได้เอามาทำประโยชน์อะไรหรือไฟที่เปิดทิ้งไว้ โดยที่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเสียสิ่งที่มีคุณค่าไปเปล่าประโยชน์ชีวิตของการเป็นมนุษย์และการได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์มากแต่จะต้องนำเอามาใช้เพื่อทำให้เกิดประโยชน์นั้นมันไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาด้วยตัวของมันเองการมีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกนี้ ไม่ได้ทำให้คนทุกคนที่มาเกิดอยู่ในบวรของพระพุทธศาสนานี้ได้ประโยชน์ด้วยโดยอัตโนมัติประโยชน์จะกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ที่ได้เข้ามาสัมผัสกับพระพุทธศาสนานต้องตักตวงด้วยตนเองเหมือนกับการที่เราไปเจอบ่อน้ำ ถ้าเราต้องการน้ําเราก็ต้องหาวิธีตักน้ําขึ้นมาน้ําจะไม่ไม่ไหลขึ้นมาให้เราเองบ่อน้ําน้ําอยู่ในบ่มันจะไม่ขึ้นมาหาเราเราต้องหาวิธีตักน้ําเอาขึ้นมาเพื่อเอามาใช้ให้ได้ยัในใดพระพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเราได้เข้ามาถึงพระพุทธศาสนา ได้พบกับพระพุทธศาสนาสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องขวนขวายต้องตักตวงเอาความรู้ของพระพุทธศาสนามาใส่ใจของเราให้ได้ถ้าเรามีฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาเราจะสามารถตักตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เกิดอยู่ในเมืองพุทธก็ตาม เช่นชาวต่างประเทศที่เกิดในประเทศทางตะวันตกเขาอยู่ห่างไกลจากพระพุทธศาสนาเช่นที่มีอยู่ในประเทศไทยนี้แต่เขาก็ยังอุตสาบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อที่จะได้มาศึกษามาปฏิบัติมาตักตวงประโยชน์ของพระพุทธศาสนา พวกเราที่อยู่ในประเทศไทยที่มีพระพุทธศาสนากับไม่ได้สนใจให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพราะเราเป็นเหมือนไก่เหมือนไก่ได้พลอยไก่ก็คือสัตว์ที่หาเลี้ยงดูชีวิตด้วยการคุ้ยเขี่ยในดินหาตัวไส้เดือนมาเป็นอาหาร เวลาคุ้ยเขี่ยไปถ้าไปเจอเพชรเจอพลอยก็จะเขี่ยทิ้งไปเพราะไม่สามารถรับประทานเพชรพลอยได้เพราะไม่รู้คุณค่าของเพชรพลอยว่าถ้าเอาไปขายจะสามารถซื้อตัวไส้เดือนมารับประทานได้ไปตลอดชีวิตเลยพวกเราที่อยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในประเทศ ใทรที่มีพระพุทธศาสนาแต่ไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนไก่ได้ปล่อยคือไม่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเพราะไม่สนใจที่จะศึกษานั่นเองเหมือนกับได้เพชรได้ปล่อยมาแล้วก็เขี่ยทิ้งไปถ้ามีความสงสัยมีความอยากรู้ขึ้นมาว่า ไอ้ก้อนหินก้อนเพชรก้อนคลอยนี้มันเป็นอะไรมีค่าอะไรถ้าเอาไปถามผู้รู้ก็จะได้รู้ว่าเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่าตัวไส้เดือนที่หามารับประทานสามารถเอาไปซื้อตัวไส้เดือนได้เป็นหมื่นเป็นแสนตัวถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้ถ้าไม่เข้าหาผู้รู้เรามาพบเพชรพลอยของพระพุทธศาสนาแล้ว ถ้าเรายังไม่รู้คุณค่าของของพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเรียกว่าพระรัตนตรก็เราต้องเข้าหาผู้รู้ศึกษาว่าพระรัตนตรัยนี้มีคุณค่าอย่างไรทําไมเราจึงเรียกว่าเป็นพระรัตนตรัยคำว่ารัตนะก็คือเพชรพลอยนี่เองพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ท่านเป็นเพชรพลอย ความเป็นเพชรพลอยของท่านนี้เป็นอย่างไรก็เพราะว่าท่านสามารถที่จะยกจิตใจของท่านให้อยู่เหนือการเกิดแก่เจ็บตายได้นั่นเองให้อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆที่พวกเราทั้งหลายยังต้องพบอยู่นทุกวันนี้อยู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านไม่ต้องมีความทุกข์แบบที่พวกเรามีกันแล้ว พวกเราตอนนี้ยังต้องทุก์กับความแก่ยังทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยยังทุก์กับความตายยังทุก์กับการพัาดพลาดจากกันและทุกกับสารพัด ส, สารเพกับความอยากต่างๆเวลาอยากได้อะไรใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้มาแล้วก็ทุกข์กับการดูแลรักษา แล้วเวลาสูญเสียไปก็ต้องมาทุกขกับการสูญเสียแล้วก็จะเกิดความอยากได้กลับคืนมาใหม่ก็ต้องทุกขกับการแสวงหากับการหามาใหม่นี่เราอยู่ในกองทุกข์ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยแล้วก็จะอยู่ในกองทุกข์เหล่านี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตายไปแล้วเราก็จะกลับมาเกิดอีก ตราบใดที่เรายังมีความอยากได้สิ่งต่างๆอยู่อยากมีอยากเป็นอยู่ความอยากนี่แหละจะเป็นผู้ที่คอยดึงใจของเราให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ําแล้วซ้ํำอีกอย่างไม่มีวันจบสิน้นแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้ยินได้ฟังพรอธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินประวัติ ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างไรท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างไรเราก็จะได้ยินได้ฟังได้ศึกษาและเราก็จะเกิดศรัทธาที่อยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าอยากจะปฏิบัติพอเราเกิดความอยากเราก็จะปฏิบัติกัน พอเมื่อปฏิบัติไปแล้วผลก็จะก็จะตามมาไม่ช้าก็เร็วใจของพวกเราก็จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่เราเคยพบเคยเจออยู่อย่างสม่ำเสมอพอจิตใจเราได้บรรลุถึงขั้นอรหัตผลแล้วความทุกข์ต่างๆที่เราเคยมีอยู่ภายในใจของเรา จะหายไปหมดเราจะไม่ทุกข์กับความแก่เราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่ทุกข์กับความตายจะไม่ทุกข์กับการพัดพากจากกันนี่แหละคือความวิเศษของพระรัตนตรยัยคุณค่าของพระรัตนตรยัยที่พระพุทธเจ้าได้เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็มอบมาให้เป็นมรดก กับพวกเราที่เป็นชาวพุทธศาสนิกชนพวกเราก็ควรที่จะน้อมรับมรดกอันประเสริฐนี้มาด้วยการศึกษาอยู่เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆพอฟังไปแล้วก็จะเกิดศรัทธาเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะปฏิบัติ ต, ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุผลต่างๆอย่างแน่นอนเพราะประวัติของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็มาแบบนี้ทั้งนั้นครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรากลาวไหวบูชานับตั้งแต่หลวงปู่ ม, นนมั่นลงมาจนถึงหลวงตามหาบัวท่านก็ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระพุทธประวัติ ได้ยินได้ฟังวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพาอาาระอรหัตสาวกองอื่นๆแล้วก็ทำให้เกิดศรัทธาจึงออกบวชกันออกบวชเพื่อจะได้ศึกษาร่ำเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็ออกปฏิบัติกันไปปีกวิเวกไปอยู่ตามป่าตามเขากันไปบำเพ็ญจิตตภาวนา จะเดินสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิด้วยความเข้มข้นในข้อวัดปฏิบัติต่างๆแล้วก็ทำให้ผลต่างๆปรากฏขึ้นมาทำให้ท่านได้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเวลาที่ท่านวรณภาพไป อัฐิของท่านก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมายืนยันว่าใจของท่านนั้นได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วใจของท่านได้ถึงพระนิพพานแล้วใจของท่านได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละที่จะพอกาธาตุในร่างกายคือกระดูกให้กลายเป็นพระธาตุไป กระดูของปุถุชนธรรมดาอย่างของพวกเรานี้เวลาตายไปมันจะไม่กลายเป็นพระธาตุมันจะเป็นเศษกระดูกที่จะผุพังไปในที่สุดแต่กระดูกของพระหลานตสาวก็ดีกระดูของพระพุทธเจ้าก็ดีนี้จะกลายเป็นพระธาตุไปบางส่วนไม่ใช่ทุกส่วนบางส่วนก็จะกลายเป็นพระธาตุไป จะเป็นเครื่องยืนยันว่าท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วได้ท่านได้ถึงพระนิพพานแล้วท่านไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปแล้วพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างนั้นได้ <c oughs> <c oughs> ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อที่จะศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อย แล้วนำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติผลต่างๆที่พระอาหารหันตสาวกได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดในสมัยพระพุทธการต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นคู่สอนถึงจะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ บางท่านก็เลยมองไปถึงอนาคตอันไกลรอพบกับพระศีอษะเพราะคิดว่าชาตินี้ไม่มีโอกาสที่จะบรรลุถึงพระนิพพานได้แล้วอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงจากไปนี้พระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าธรรมวินัยที่เราตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นาศาสดาแทน พวกเป็นจะเป็นศาสดาแทนเราเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ป่าศจากศาสดาถ้ามีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับมีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าเรานี้เองเวลาที่เราได้อ่านได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับได้ฟังคําสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรง เราสามารถที่จะนำเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาปฏิบัติได้ในเวลานี้และทําให้เกิดผลต่างๆขึ้นมาได้ในเวลานี้เลยไม่ต้องรอไปพบกับพระีอานซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ไปพบหรือเปล่าเพราะช่วงเวลาที่ท่านจะมาปรากฏในโลกนี้มาตรัสลุเป็นพระพุทธเจ้า ใจของพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนในตอนนั้นอาจจะไม่ได้พบก็ได้ตอนนี้เราได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในหนังสือของพระพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วทำไมเราไม่สนใจกันเป็นเหมือนกับมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราแล้วเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเราเอามาศึกษาเอามาปฏิบัติ เราก็จะต้องได้รับผลเหมือนกับผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติในขั้งสมัยพระพุทธการอย่างแน่นอนเวลาจึงไม่ใช่เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาก็คือตัวศรัทธาตัวอิทธิบาทสี่ถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีอิทธิบาทสี่ก็จะไม่สนใจจะไม่ขวนขวายจะไม่ศึกษาจะไม่ปฏิบัติก็จะไม่เกิดผลต่างๆขึ้นมา ดังนั้นอย่าให้กิเลส ข, ของเราหลอกเราว่าสมัยนี้ปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาคอยสอนพวกเราต้องรอให้พระสีอ่านมาก่อนถึงจะสามารถศึกษาและปฏิบัติและบรรลุผลได้สมัยนี้บรรลุผลได้มีผู้บรรลุผลมาแล้วกันอย่างต่อเนื่องมานับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าจากพวกเราไป ยังมีพระอรหันตสาบุปกปรากฏขึ้นมาตามลาดับอยู่เรื่อยๆอย่างพระอนนท์นี้ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพานไปแล้วสมัยที่อยู่กับพระพุทธเจ้ากลับไม่ได้บรรลุเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีเวลาปฏิบัติสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่พระอนนท์ต้อง เอาเวลาม า, มาคอยอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าคอยรับใช้พระพุทธเจ้าคอยเตรียมอัฏฐ บ, บริขารคอยดูแลอัฏฐ บ, บริขารคอยกวาดถูกุติที่พำนักของพระพุทธเจ้าเลยไม่มีเวลาที่จะออกไปบําเพ็ญตามลำพังถึงแม้ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าถึง20กว่าปีด้วยกันแต่กลับไม่ได้บรรลุธรรมเลยเพราะไม่ได้ปฏิบัต แต่พอพระพุทธเจ้าได้สเสด็จ ด, ดับขันธปรนิพานไปแล้วพระ อ, อนตน์ก็เลยไม่มีผู้ที่จะต้องมาคอยปนิบัติคอยอุปถาคอยดูแลรับใช้ก็เลยมีเวลาว่างที่จะออกไปปีกุิเวกออกไปบาเพ็ญออกไปปฏิบัติสามเดือนเท่านั้นก็สามารถบรรลุเป็นพระ อ, อรหันต์ได้ แต่ตลาดระยะเวลา20กว่าปีที่รับใช้พระพุทธเจ้ากลับไม่ได้บรรลุธรรมเลยเพราะไม่ได้ปฏิบัตินการบรรลุธรรมนี้อยู่ที่การปฏิบัติการปฏิบัติที่จะปฏิบัติให้บรรลุธรรมก็ที่อยู่การศึกษาถ้าไม่ได้ศึกษาก็จะไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าปฏิบัติโดยไม่ได้ศึกษาก็จะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูก ผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาต้องศึกษาก่อนศึกษาวิถีทางที่ถูกต้องของการปฏิบัติแล้วนำเอาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครับไม่นานก็จะได้รับผลอย่างผ้าอ น, นุนเพียงสามเดือนเท่านั้นเอง <c oughs> ดังนั้นขอให้พวกเราอย่าไปถูกความหลงคอยหลอกเราให้เราอ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเป็นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญต่อการปฏิบัติ ขอให้เราพุ่งใจของเราไปที่การศึกษาและการปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าผลคือมรซีผลสี่นิพานหนึ่งนี้จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดแม้อยู่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ตามถ้าใจมี <c oughs> พระพุทธศาสนาอยู่ในใจก็ยังสามารถบำเพ็ญสามารถปฏิบัติ ให้บรรลุถึงมรรคสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่งได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิิตพิจารณาเพื่อที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอ่อนยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกาปฏิ <c oughs> อิชิตังปฏิตังตุ่มหังคิดเ ป, ปะเมวะสมิจจตุ สัพเพปเรมตุสังกปาจันโทปนะระโสยทามนิโชติระโสยทาสพีติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกุภวะอะพิวัฒนสีลิสะนิจจังวุฒาปะจายโน จตาโรโธ ม, มาวาทานติอายุวนโนสุขังภาลาัต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามผ่านทางไมโครโฟนเพราะจะได้ฟังทั้งคำถามและคำตอบได้ชัด หลังจากที่ปิดไม้แล้วก็ขอของับขอขอระ ง, งับคําถามเพราะว่าถามไปแล้วก็ไม่มีคนอื่นได้ยินได้ฟังก็จะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรดังนั้นถ้าท่านมีคําถามขอความกรุณาถามตอนที่เปิดไม่้เชิญอยากจะเรียนหาพระอาจารย์ว่าการที่มีส่วนแนะนําให้คนอื่นทําแท้งหรือว่ายุติการตั้งครรภเนี่ยคะ่ะเป็นบาปหรือเปล่าคะ่ะ เพราะว่าตอนนี้คือมีมีประเด็นจากผู้ใหญ่ว่าอยากจะให้หมอเนี่ยถามคนไข้ที่ตั้งคันที่มาว่าเขาตั้งคันด้วยความพร้อมไหมถ้าไม่พร้อมเนี่ยให้เสนอทางเลือกในการที่จะไปพูดคุยกันทำแทง้งค่ะพระจากักรมีในพระวินยียบอกว่าบอกให้เขาทำก็ดีทำเองก็ดีก็ผิดด้วยกันเหมือนกันอันไม่ควรที่จะไปแนะนาให้ผู้นเขาทำปานาติบา ควรจะบอกทางเลือกเขาว่าทำบาปแล้วไปนรกน ะ, ะถึงแม้ว่าจะได้ลูกมาพีกนพีการก็เป็นเรื่องกรรมของลูกเขาไปเป็นเรื่องของกรรมของเราที่ไปตั้งเขาขึ้นมาไปผลิตเขาขึ้นมาเมื่อเขาออกมาก็ต้องเลี้ยงดูกันไปตามบุญตามกรรมไปจะได้ไม่สร้างวิบากกรรมขึ้นมาใหม่ค่ะกักสาธุภระ า, าทถ้างั้นก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยง ที่จะไม่ทำหรือเด็กค่ะไม่ทําหรือไม่พูดก็ได้ถ้าต้องออกจากงานก็ออกไปสาธุค่ะจะได้ไป <laughs> จะได้ปฏิบ <laughs> ัติท <laughs> <ฏ>ําเร็วๆทําแล้วไปตกนรกทําไปทำไม <laughs> ไม่มองถึงนรกกันมากมองแต่แค่เงินเดือนที่จะได้รับคือถ้าสมมติจะเริ่มปฏิบัติแบบเริ่มปฏิบัติต้องเริ่มยังไงคะปฏิบัติยังไงถึงจะถูกต้องค่ะ ออก็ต้องศึกษาก่อนหาหนังสือหรือฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะรู้ว่าต้องกระทำอย่างไรถ้าไม่รู้ก็จะสรุปคร่าวๆก็ได้ว่าถ้าจะปฏิบัติต้องอย่างน้อยต้องรักษาสีนแปดให้ได้ถ้าไม่สามารถรักษาได้ทุกวันก็รักษาสีห้าไปก่อนแล้วก็ปฏิบัติเท่าที่เราจะปฏิบัติได้ การปฏิบัติก็เริ่มต้นที่การตั้งสติให้มีสติควบคุมใจไม่ให้คิดเลื่อยเปื่อยให้หยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้เวลานั่งใจจะได้สงบได้ต้องฝึกสติก่อนที่มานั่งหรือฝึกสติทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับวิธีจะเกิดสติได้ก็มีหลายวิธีวิธีที่ใช้กันทั่วไป ก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธตื่นขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธไปควบคู่กับภารกิจการงานที่เราทำไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเดินทางไปทำงานพยายามบริกรรมพุทโธไปแล้วพอมีเวลาว่างจากภารกิจการงานมีเวลาว่างที่จะนั่งได้ก็นั่งแล้วก็หลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธต่อไปหรือถ้า ไม่อยากจะพุโทโธเพราะมันเหนื่อยก็ลองเวลานั่งจะนั่งดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ดูที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกมันจะสัมผัสอยู่แถวบริเวณปลายจมูกก็ให้เฝ้าดูเฉยๆไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งกับลมอย่าไม่ต้องไปบังคับลมให้หายใจช้าหายใจเร็วหรือหายใจหยาบหรือละเอียดเพียงแต่ใช้ลมเป็นที่ผูกใจ เพื่อให้ใจจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าทำอย่างนี้ได้ไม่ช้าก็เร็วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะมีความสุขเหมือนกับได้เข้าไปในห้องปรับอากาศใจเวลาร้อนนี่มันทุกข์มากคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอหยุดความคิดได้ความรุ่มร้อนใจก็จะหายไปหมดเหลือแต่ความเย็นความสบายใจ นี่คือขั้นต้นที่เรียกว่าฝึกทำสมาธิถ้าได้สมาธิแล้วออกจากสมาธิมาก็ให้ใช้ปัญญาคิดไปในทางปัญญาก็คือคิดไปในทางความเป็นจริงเช่นคิดว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องพัดพากจากกันไปเป็นธรรมดานอกจากเราแล้วคนอื่นก็เหมือนกันพ่อเราแม่เราพี่เราน้องเราสามีเราภรรยาเรา เพื่อนเราคนทุกคนในโลกนี้เป็นเหมือนกันหมดไอ้พิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปจะไม่ตื่นเต้นตกใจเวลาได้ยินข่าวว่าคนนั้นตายไปจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใจก็จะไม่ทุกข์กับการพัดพากจากกันเวลาพ่อตายแม่ตายพี่ตา ย, ตายน้องตายนี้จะรู้สึกเฉยๆเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าจะต้องเกิดขึ้น เพราะเราคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆหลังจากพิจารณาไปแล้วใจเริ่มฟุ้งเริ่มเกิดอารมณ์ไม่สบายก็หยุดพิจารณาแล้วกลับไปทําใจให้สงบใหม่ออกจากความสงบมาก็พิจารณาใหม่การพิจารณานี้พิจารณาได้ทุกเวลาเวลาที่ไม่อยู่ในสมาธิเวลาอยู่ในสมาธินี้ไม่ให้พิจารณาพิจารณาไม่ได้เพราะต้องการให้ใจสงบนิ่งไม่ให้คิดปรุงแต่ง เวลาอยู่ในสมาธิเป็นเวลาพักใจเหมือนนักมวยเขาชกสมนาทีแล้วเขาก็หยุดกินน้ำหนึ่งนาทีพอตีละครั้งปั๊บเขาก็เข้ามุมไปนั่งดื่มน้ำพักหนึ่งนาทีพอละครั้งตีอีกทีเขาก็ขึ้นไปชกกันสนาทีสมาธิกับปัญญาก็เป็นแบบนี้ออกมาทางปัญญาก็สู้กับกิเลสสามนาทีพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายสักสมนาที พอระทางตีปั๊บก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ไปพักใจใหม่สลับทําไปอย่างนี้เรื่อยๆ <c oughs> แล้วใจจะกล้าหาญใจจะมีปัญญาปกป้องรักษาใจไม่ให้หวาดกลัวไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะเรื่องราวต่างๆมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ใจมันเกิดกับคนอื่นใจไปวุ่นไปวายกับมันเองแม้แต่ร่างกายก็ไม่ใช่ใจใจก็ไปเดือดร้อนแทนร่างกายร่างกายเองมันไม่เดือดร้อน ร่างกายเวลามันแก่มันเจ็บมันตายมันไม่เคยร้องเลยมันไม่เคยบ่นเลยคนบ่นก็คือใจเพราะไม่รู้ความจริงนั่นเองถ้ารู้ความจริงแล้วก็เลิกบน่นเพราะบ่นไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีนี่คือสรุปของการปฏิบัติเข้าใจไหมอลองดู ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามดิฉันมีคนรอบข้างหลายคนที่มีปัญหาในชีวิต คนพวกนี้นับถือศาสนาพุทธแต่ไม่มีความสนใจศึกษาธรรมะเลยดิฉันจึงอยากจะให้พวกเขาได้เข้าหาศาสนาพุทธขอเรียนปรึกษาผ้าจารย์ว่ามีวิธีอะไรช่วยโน้มน้าวพวกเขาให้เข้าหาศาสนาเพื่อจะได้เสริมสร้างแนวความคิดในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องค่ะก็เวลาเราไปวัดเราก็ชวนเขาไป เนรามีหนังสือธรรมะก็เอาไปแจกให้เขาอา่านส่วนเขาจะมาหรือไม่มาเขาจะอ่านไม่อ่านนี่มันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเราทำได้เท่านั้นแหละออดีก้อเดียวอามีทางนี้มีขอบคุณอาจารย์สิค่ะอาทิตที่ผ่านมาบริหนูลงเริ่พิจารณาอ่า อติกำกระดูกสามร้อยท่อนของหลวงปู่สิงห์เจ้าค่ะก็พิจารณาจากศรีรษะลงไปไล่ไปเรื่อยก็ฟังธรรมของท่านไปด้วยท่านก็เทศไปจนจบเจ้าค่ะหนูก็นั่งดูไปเรื่อยมันมันสว่างมันจ้าตรงตร ง, ตรงกลางฟันบนและฟันล่างเจ้าค่ะมันเป็นแสงจ้ามากเลยเป็นฟันเจ้าค่ะอยู่ก็ตั้งอยู่ไม่นานเจ้าค่ะอะแต่เรื่องจากว่าหนูยังไม่สามารถที่จะทําได้ต่อเนื่องตรงนี้ หลังจากนั้นมาพิจารณาอีกก็ก็รู้สึกหนักไม่มัไม่ไมไม เ, หเห็นเลยเจ้าค่ะทีนี้คําถามก็คืออยากถามอาจารย์ว่าอถ้าพิจารณาตรงนี้อีกเราจะต้องทําเหมือนตอนที่พิจารณาตั้งแต่ศีรษะลงไปเบ้าวตาลงไปจนถึงเทา้าไล่ขึ้นลงหรือว่าจะจับตรงช่วงที่มันสว่างเจ้าที่เป็นฟันนะเจ้าค่ะที่เคยเห็นอย่างไรนี้เจ้าค่ะคือเราต้องเข้าใจเอเหตุผลของการ พิจารณากระดูกว่าเราพิจารณาเพื่ออะไรการเห็นนี้เห็นเพื่ออะไรการเห็นเฉยๆนี่ยังไม่ใช่เป็นเป็นผลที่เราต้องการเพราะการเห็นนี้เป็นเครื่องมือเป็นเหมือนยาเราเตรียมยาไว้เพื่อรับประทานเพื่อรักษารโรคตอนนี้เราไม่มีโรคเรากินยาไปเราก็จะไม่รู้สึกว่ามีผลแตกต่างกันอย่างไร แต่ถาเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเรากินยาแล้วยาถูกกับโรคยาก็จะรักษาโรคให้หายได้การพิจารณารมนี้ก็เป็นการเตรียมยาไว้ทีนี้เราต้องการรักษาโรคอะไรการพิจารณากระดูกนี้ก็มีโรคอยู่สองชนิดที่รักษาได้ก็คือโรคของความกลัวตายถ้าเราพิจารณาว่าร่างกายของเราในที่สุดก็จะกลายเป็นเศษกระดูกไป เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆต่อไปเวลาร่างกายกลายเป็นเศษกระดูกเราก็จะไม่ทุกข์ใจเพราะเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริงอันนี้ว่าในที่สุดร่างกายนี้ก็จะเหลือแต่เศษกระดูกเช่นเวลาเขาเผาแล้วไวเก็บก็มีแต่ขี้เถ้ากัะเศษกระดูกเท่านั้นเองนี่คืออนาคตของร่างกายของพวกเราทุกคนพิจารณาเพื่อให้เราน้อมใจให้รับกับความจริงอันนี้ถ้า เห็นความจริงอันนี้แล้วใจมันผื่นไม่ได้มันจะหลอกตัวเองไม่ได้ว่าจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้นี่คือโรคชนิดหนึ่งก็คือโรคของความกลัวตายจะไม่กลัวตายถ้ารู้ว่าในที่สุดร่างกายก็จะต้องเป็นอย่างนี้กันทุกคนแล้วโรคอีกชนิดหนึ่งก็คือเรื่องของโรคของกามารมณ์บางทีเราไม่เห็นกระดูกของคนเราเห็นแต่หน้าแต่ตาเห็นแต่รูปแต่ร่าง ก็ทำให้เราเกิดกามอารมณ์เกิดความรักความคล้ายขึ้นมาถ้าเราเห็นกระดูกของเขาเราก็จะระ ง, งับกามอารมณ์ได้เช่นเวลาเราเห็นใครแล้วเราเกิดการอารมณ์เกิดความรักเกิดความคล้ายถ้าเราคือพิจารณาดูกระดูกต่างๆอยู่เรื่อยๆเห็นกระโหลกศีรษะเห็นโครงกระดูกพอเห็นใครที่เราเกิดความ ถ้าเกิดมีการมารมขึ้นมาเราก็นึกถึงกระดูกเหล่านี้ในตัวของเขาเองเพอเห็นกระดูกของเขาแล้วเราก็จะดับการมารมได้ดังนั้นในขณะที่เราพิจารณาแล้วปรากฏให้เราเห็นนี่ก็ดีคือแสดงว่ามันเริ่มเข้าไปฝังอยู่ในใจนี่เราต้องการให้มันอยู่ในใจตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าโรคมันจะเกิดขึ้นมาเวลาไหนา เวลาเกิดถ้ามันเราต้องการจะเอายามาระงับมันถ้ายามาไม่ทันก็แพ้มันได้เพระนันต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนมันฝังอยู่ในใจอยู่ตลอดเว ล, เวลาเวลาเกิดโรคภัยแค่เจ็บขึ้นมาก็หยิบยาขึ้นมาใช้ได้เลย <c oughs> นี่คือเรื่องของปัญญาปัญญาก็คือให้เราน้อมความจริงเข้ามาสู่ใจของเราใจของเราตอนนี้ถูก ความปลอมเข้ามาหลอกเราให้เราคิดว่าเราจะไม่ตายกันให้เราเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องตายกันเลยเราคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยเราถึงกลัวความตายกันแต่ถ้าเรารู้เราาต้องตายเราจะไปกลัวทำไมละกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายไม่กลัวกับสบายกว่าเวลากลัวแล้วมันทุกข์ถ้าไม่กลัวแล้วมันไม่ทุกข์ แต่เราไม่มีความจริงอยู่ในใจเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องตายกันพอเจอความตายใจมันก็เลยรับไม่ได้เช่นถ้าเกิดเราไปหาหมอแล้วหมอเขาบอกเป็นโรคโรครายอย่างคนขับรถนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะตายนะเขาก็ขับรถอยู่ดีๆแล้วเขาก็เจ็บไม่สบายเขาก็ลาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วมันต่อมาก็ว่าตายแล้วเขาบอกว่าตายเพราะติด ติดเชื้อในกระแสโลหิตหรืยอะไรเนี่ยมันเลืไปติดที่ไหนติดที่โรงพยาบาลหรือเปล่าเลยหร อ, หรอถ้าไม่ไปก็อาจจะไม่ติดก็ได้ <c oughs> อ่าเชื้อมันอยู่ที่ไหนเชื้อมันก็อยู่โรงพยาบาลนแล้วสิ่งที่จะเข้าไปในกระแสโลหิตก็เข็มฉีดยาของหมอนี่แหละ <c oughs> พอไปถึงก็เอาเอ า, เอาเข็มทิ่มเข้าไปให้น้ำเกลือแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดไปเจอเข็มมันส่งกระปุกเข้าก็เชื้อมันก็เข้าไปในกระแสโลหิตได้ ถ้าไม่ไปรักษาจะไม่ตายก็ได้ทนเจ็บไปทั้งหน่อยเดี๋ยวมันก็หายเองก็ได้อายุก็ยังไม่มากอายุแค่สี่สิบกว่าเนี่ยกายจะไปรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆนี่พอมันจะตายเวลาไหนมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าเรายังพอคิดถ้าเรายังคิดถึงความตายแล้วทุกข์ก็แสดงว่าใจเรายังไม่ยอมรับความจริง เมื่อพยายามรับความจริงก็ต้องอัดความจริงเข้าไปเรื่อยๆต้องคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆเวลาเห็นใครตายนี่ต้องน้อมกลับมาหาตัวเราทันทีว่าเออเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาเพียงแต่ต่างกันเวลาเท่านั้นเองเขาไปก่อนเราแต่เราก็ใกล้เข้าไปเรื่อยๆคิวของเราก็จะสั้นเข้าไปเรื่อยๆเหมือนเราไปรอที่ธนาคารเวลาเขาให้บัตรคิวมาแล้วก็นั่งรับดูอยู่เรื่อยเมื่อไหรจะถึงคิวเราสักที แต่ทําไมให้คิวตายไม่นับกันบ้างคิวตายเนี่ยอยากให้มันมาช้าอยากไม่อยากให้มันมาเร็วเลยไต่เวลาไปคิวไปขอไปทำํำธุรกิจอะไรนี่แหมเร่งใจร้อนเมื่อไหร่จะถึงเราสักที น, น, เนะเนี่ยอย่าประมาทนะเนี่ยความตายมันเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนทุกเวลาความตายไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวความตายไม่เป็นโทษ คาตายเป็นเรื่องปกติของร่างกายเพราะใจเราไม่ได้ตายแต่ที่มันเป็นโทษกับใจเพราะใจไม่มีความจริงใจไปหลงคิดว่าร่างกายจะไม่ตายจะไปคิดว่าร่างกายจะอยู่ไปนานๆแล้วไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรามันผิดตรงนี้ต้องมาแก้ตรงนี้ต้องมาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันมาจากพ่อจากแม่ก่อนที่จะพ่อแม่จะเจอกันนี้ตัวเราอยู่ที่ไหนร่างกายเราอยู่ตรงไหน มันไม่มีใช่ไหมต้องให้มีพ่อแม่มาพบกันมาแต่งงานกันมาอยู่ร่วมกันก่อนถึงจะเกิดตัวร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วเรามาจากไหนตามหลักทฤษฎีของพระพุทธศาสนาก็คือมาจากพบก่อนชาติก่อนที่ตายไปทิ้งร่างกายอันเก่าไปแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปไปพอหมดบุญบมด บ, บาปก็มารอคิวมาหาร่างกายเกิดกันพอใครตั้งคันปั๊บก็เข้าไป ใครบารมีมากกว่ากันก็ได้ก่อนเหมือนกับสอบเอนทานเข้ามาหาอะไรใครคะแนานสูงกว่าก็ได้ไปใครคะแนานต่ำกว่าก็ต้องถอยไปก่อนรอคิวไปอันนี้ก็เหมือนกันการจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็แข่งกันที่บุญว่าสนาบารมีเหมือนกันถ้ามีคนสองคนมาแย่งเอาคันอันเดียวกันเนี่ยคนที่มีบุญมากกว่าก็ต้องเอาไปก่อนนี่แหละเรามาจากชาติก่อนเราตาย ทิ้งร่างกายอันเก่าไปร่างกายอันเก่าที่เราได้ที่เหมือนที่เรามีอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวมันก็ต้องตายไปพอตายไปใจที่เป็นผู้คลองร่างกายนี้ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปไว้ก่อนขึ้นอยู่กับกำลังบุญกับกำลังบาปว่าส่วนไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะดึงใจไปสวรรค์ถ้าบาปมีกาลังมากกว่าก็จะดึงใจไปอบาย พราะบุญกับบาตลดลงมาอยู่จํานวนเท่ากันบุญไม่สามารถดึงไปสวรรค์ได้บาปไม่สามารถดึงไปอบายได้ก็มารอคิวเกิดเป็นมนุษย์กันพอมาเกิดเป็นมนุษย์พอได้ร่างกายก็มาหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราใหม่แล้วก็มากลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันใหม่ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะไม่กลัวเราจะเข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นอะไรร่างกายมันก็เป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่ง ทำมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟดินก็คืออาหารที่เรารับเขาทานเข้าไปลมก็คือลมหายใจนี่หายใจเข้าหายใจออกนี่ก็อเอาลมเข้าไปผสมกับธาตุดินผสมกับธาตุน้ำน้ำที่เราดื่มเข้าไปน้ำที่มีอยู่ในอาหารดินน้ำลมไฟเพราะดินน้ำลมผสมกันก็ทำให้เกิดไฟขึ้นมาปฏิกิริยาทางเคมี เคยเรียนเคมีไหเวลาเราเอาดินกับน้ำบางเอาธาตุแร่บางชนิดมันผสมกับน้ําำบางชนิดนก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาเดือดพุดธพุธขึ้นมาอันนี้ก็เกิดธาตุไฟขึ้นมาพอเรามีธาตุดินอยู่ในร่างกายมีธาตุน้ํามีธาตุลมมาผสมกันธาตร้อนไฟก็จะเกิดขึ้นมาสังเกตดูเวลาเราประทานอาหารเสร็จนี่ร่างกายจะร้อนเพราะมันเกิดปฏิกิริยาทาง ทางเคมีในร่างกายนี่แหละคือส่วนประกอบของร่างกายตัวเราไม่ได้มีอยู่ในร่างกายนี้เลยแยกมันออกมาก็จะไม่เจอตัวเราตัวเราจะจะเจอแค่อาการสามสิบสองเท่านั้นมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆแต่จะไม่มีตัวเราเพราะตัวเราก็คือผู้รู้ผู้คิดนี้เองที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นความคิดเท่านั้นเองความคิดที่หลอก ตัวเราเองว่าเราเป็นร่างกายเพราะเราไม่เคยเห็นตัวของเราเพราะเราไม่เคยบาเพ็ญจิตตภาวนาถ้าเราจิตบาเพ็ญจิตตภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ใจจะรวมเข้ามาแล้วปล่อยวางละแยกออกจากร่างกายแล้วก็จะเห็นตัวเราว่าคือตัวรู้นี่สักแต่ว่ารู้แล้วเราก็จะได้แยกใจออกจากร่างกายได้ แล้วต่อไปร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่หวั่นไหวไม่หวาดกลัวนี่แหละคือเรื่องของความจริงกับความหลงตอนนี้เรามีแต่ความหลงทําให้เราวนวุ่นวายไปกับความเป็นความตายของร่างกายเพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายและเราไม่เห็นว่าร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะเราไม่ยอมมองมันไม่ยอมพิจารณามัน พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้เราหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆคิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายคิดมันไปอย่างนี้ท่องมันไปอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนดูแล้วต่อไปใจมันจะได้คลายความอุอปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายแล้วพอไม่มีอุปทานก็จะไม่มีความอยากไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ พอยพิจารณาไปเรื่อยๆนับปัญญาจะละลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นละลายความหลงความเห็นผิดเป็นชอบความไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรามันจะค่อยๆจางไปหายไปและในที่สุดมันก็จะไม่มีมันจะเห็นว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นตุ๊กตาที่พ่อแม่ทำมาให้เรานราเอามันมารับใช้เราชั่วคราวเท่านั้นเอง มีใครอยากจะถามอะไรไกมถ้าไม่มีก็จะได้ปิดประชุมนะก็ขอให้เจ้าเอานำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ